รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษา ข, ของผู้ประกอบการ นายปราโมทถวิรักคณะบดีคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางด้านภาษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพกระตุ้นความสนใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังการอ่านการเขียนและการพูดเบื้องต้น จัดขึ้นเมื่อวันที่7และ8กันยายน2องพที่ผ่านมาโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน90คนและได้รับเกียรติจากคุณรัฐภูมิชัดวิโร์อาจารย์สอนภาษากรีฑืออาชีพเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงในต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีคุณปียะวิวมุกตายน์ดารานักแสดงยอดนิยมร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ภาษากรีฑาในชีวิตประจําวันอีกด้วยวิชิดาจินดาดามประชาสัมพันธ์ราชมงคลจันทบุรี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงถนนบริเวณหน้าตลาดนัดรถไฟศรีนครินระหว่างวันที่17ถึง25กันยายน2562เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอแจ้งว่าบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรช่วงราวในช่องจราจรที่สองและช่องจราจรที่สามนับจากเกาะกลางฝั่งขาออกบนถนนสีนขรินบริเวณหน้าตลาดนัดรถไฟสีนขรินระยะทางประมาณ200เมตรในระหว่างวันที่17 2 5ถึงกันยายน2562เฉพาะช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกา เพื่อติดตั้งคานทางวิ่งของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโดยในช่วงเวลา22 2่สิงนาฬิกาถึงสี่นาฬกาผู้ใช้ทางบนถนนสีนัคารินฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้หนึ่งช่องทางทั้งนี้การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากไม่มีความจาเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่098 257 5555และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ w w w m r t a y e l l o w l i n e c o m รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ